ความสุขมันต่างกันความสุขจากการไปเที่ยวเป็นความสุขแบบควันไฟความสุขแบบที่เราทําบุญทําทานนี้เป็นเหมือนอาหารที่มันอิ่มอยู่ในใจเราไปเรื่อยๆอิ่มอกอิ่มใจไปเรื่อยๆคิดถึงเมื่อไหร่ก็ยังอิ่มอกอิ่มใจเมื่อนั้นเมื่อเราได้ทําทานแล้วเราก็จะสามารถมาละการกระทําบาปได้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 ทางทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เราเรียกว่าการมาหลม่อมกามคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะถ้าเรามาถือศีลแปดก็เราก็จะเลิกเราจะห้ามใจเราไม่ให้ไปเสืรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะเช่นศินข้อสามเราก็จะมาถือเป็นอปรามาจาริยาแทนที่จะเป็นอะ อ, ะอะไรอ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 จันโทปนระโสยถามริโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตพวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภะอภิวาทนศีลิษะนิจังวุธาปจายโน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 แต่ถ้าปฏิบัติเพื่อไม่ให้มีความกลัวเราก็ต้องอยู่ต่อไปทําใจเฉยๆมีสติกากับใจอย่าปล่อยให้ไปคิดถึงหลังแตนมันก็จะไม่มันก็จะไม่กลัวหรือถ้าจะกลัวคิดว่าถ้าถึงขราวมันจะถูกมันต่อยมันก็ต้องต่อยไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ไหนยอมตายยอมเจ็บแล้วมันก็จะหายกลัวแล้วจะได้ไม่ต้องไปทาบาปคาถามจากคุณนพล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 เรื่องที่เขากําลังพูดอยู่ยกเว้นว่าถ้าเราไม่อยากจะฟังแต่เราจําเป็นต้องฟังเขาบังคับเขาจะด่าเราอย่างนี้เราไม่อยากฟังคาําด่าเราก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปฟังเสียงดา่าเขาเราก็จะไม่สะอารมณ์เสียแต่ถ้าเราต้องไปฟังเขาด่ายิ่งยิ่งฟังคาําด่าเขาเราก็จะยิ่งเครียดยิ่งโกรธขึ้นมาได้ถ้าเราอยากจะละลดความเครียดความโกรธก็อย่าไปฟังแล้วก็พุโทโธพุโทพโธไปหรือถ้าเราขอตัวได้ก็ขอตัวเข้าห้องน้ําไป ไหนก็ได้ถ้าพูดแล้วเป็นเรื่องเป็นราเป็นเป็นโทษก็อย่าไปพูดดีกว่าแ ต, แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้เขาโดยบา ร, รยาต้องฟังก็เช่นแม่จะสอนจะว่าอะไรก็พูดโทพูดโทไปภายในใจก็แล้วอย่าไปเถียงแม่อย่าไปโกรธแม่ไม่ดีนะการสวดมนต์เช่นโพชชังคับปิศมีอนุภาพรักษาโรคทางกายได้จริงไหมคะและถ้าสวดให้ผู้อื่น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 แต่ส่วนแล้วมันจะทำให้ใจสงบใจไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความตายของร่างกายนิกายเทรวาดมหายานแล้ววัชรยานต่างกันอย่างไรมีส่วนใดที่เราควรรู้บ้างคะเราไปถามก o เกิ e ดูกับคาถามตอนนี้นที่เกียรติตอบพอสามารถหาได้แล้วจะได้ดีกว่าเราตอบซิอันไปค้นหาดูในก o เกิลเนี่ยเขียนเข้าไปเทรวาดมหายาน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 ที่เรากลัวกันเพราะเราไม่เห็นว่ามันเป็นว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเราเราไปเห็นว่ามันเป็นตัวเราของเรารนี่เรียกว่าเห็นม่ชอบเห็นไม่ถูกเห็นไม่ต้องถูกต้องตามความเป็นจริงเหมือนสมัยก่อนคนโบราณเชื่อว่าโลกนี้แบนไม่ไม่รู้ว่าโลกนี้กลมไม่กล้านั่งเรือออกไปสุดขอบทะเลกลัวจะตกออกนอกโลกไปแต่คนที่เขารู้ว่าโลกกลมเขาก็ไม่กลัวเขาก็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 แต่ดังมีชีวิตยอยู่ก็ยังหนีไม่ได้ก็ยังต้องเจอเพราะบัจจเจ้ายังต้องเจอเลยเจอเทวทัตเนี่ยก็เหมือนกันเอองค์ุริมาอองคุริมรพระองค์ุริมานะครับตอนปรินิพานเนี่ยโยมไม่ไม่เห็นในพระไตรปิฎกเนาะว่าเวลาท่านปรินิพานนีถูกทุบตีเหมือนกับ